ศินข้อสามเป็นเรื่องที่ต้องหักดิบเพราะเราคิดว่าไม่เป็นไรจะมีบันไดขั้นที่สองมาให้คิดว่าไม่เป็นไรอีกในไม่ช้าถามต้องเจอหน้าไปบ่อยหักห้ามความรู้สึกไม่ได้จินตนาการเรื่องราวเชิงชู้สาวมากมายถรือเป็นบาปไหมตอบว่าไม่บาปถ้าไม่แสดงออกให้เจ้าตัวเกิดการรับรู้ แต่เป็นมนทินทางจิตตนเองเห็นได้จากความทรมานใจหรือรู้สึกผิดและถ้ามากเกินก็ไปต่อกับคนอื่นไม่ถูกเพราะการมีสองใจจะเหมือนมีชนักปักอกอยู่ตลอดถามมีคู่แล้วแต่รู้สึกดีกับอีกคนอยากบอกให้เขารู้แต่ไม่คิดถลำลึกให้ผิดลู่ทางแบบนี้ถือว่าผิดศีลไหม ตอบว่าไม่ผิดการผิดศีลแบบขาดทะลุกเกิดขึ้นเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันนับแต่โอวกรรมไปจนถึงเพศสังวาสอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเราควรตั้งโจทย์ถามใจตัวเองให้ชัดว่าทำอย่างนี้นำไปสู่การประพฤติผิดได้หรือเปล่าบางครั้งเราเห็นที่ต้นทางว่าไม่เป็นไรแต่ไม่รู้เลยว่าต้นทางดังกล่าว มีความลาดลื่นหรือล่อลวงดึงดูดลงเหวได้แบบไม่รู้ตัวเพียงใดคำตอบว่าผิดหรือไม่ผิดหลายครั้งนำไปสู่มุมมองที่ไม่ชัดเจนพอเห็นว่าไม่ผิดก็นึกว่าทำได้เลยเต่ดเท่าที่เห็นมาที่คิดว่าไม่ผิดไม่เป็นไรนั่นแหละตัวการสำคัญที่นำไปสู่การประพฤติผิดในเวลาต่อมาฉะนั้นรีบตั้งมุมมองไว้ตั้งแต่นี้ ว่าเรามีปัจจัยบางอย่างในชีวิตที่ยังไม่ผิดแต่ล่อแหลมต่อความผิดแล้วพอบันไดขั้นที่หนึ่งเราคิดว่าไม่เป็นไรมันจะมีบันไดขั้นที่สองมาให้คิดว่าไม่เป็นไรอีกในไม่ช้าสีลข้อสามเป็นเรื่องต้องหักดิบกันตั้งแต่ต้นลมคนที่ใจเด็ดไม่เผื่อเยื่อเหลือใหญ่ไว้ให้เป็นสะพานไปสู่ความผิดเลยเท่านั้นที่อยู่รอดปลอดภัย ไม่เดือดร้อนในภายหลังได้นอกนั้นมักประมาทที่ต้นทางแล้วต้องไปหาทางขึ้นเขากันที่ปลายทางกันทั้งนั้น